แก้ความเห็นผิดว่าพระอระหันต์ตายแล้วสูญดังมีเรื่องราวว่าครั้งหนึ่งพระภิกษุชื่อยมะกะมีความเห็นผิดว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าพระอระหันต์ตายแล้วสูญภิกษุทั้งหลายพยายามเลื้องเธอจากความเห็นผิดแต่ไม่สาเร็จจึงพากันไปขอร้องพระสารีบุตรให้ช่วยแก้ไขพระสารีบุตรได้ไปหาพระยมะกะและได้สนทนาดังความต่อไปนี้ พระสารีบุตรถามว่าเป็นความจริงหรือท่านยมกะัตข่าวว่าท่านเกิดความเห็นชั่วร้ายอย่างนี้ว่าข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมะตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุผู้เป็นขีณาศพถัดจากกายแตกทําลายก็จะขาดศูญย์หายเส้นคือพินาศหลังจากตายจะไม่มีอยู่อีกพระยมกะรรับจริงว่าเป็นตามนั้นจึงถามต่อว่า ธัญญมะกะท่านสําคัญว่าอย่างไรรูป เ, ท, เ, ท, เ ท, ญญญญที่ยงหรือไม่เที่ยงตอบว่าไม่เทียงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงตอบว่าไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นแลรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างหนึ่งอย่างใดทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันและอื่นๆทั้งหมดพึงเห็นด้วยสมาปัญญาตามเป็นจริงอย่างนี้ว่า ไม่ใช่นั่นของเราไม่ใช่เราเป็นนั่นไม่ใช่นั่นเป็นตัวตนของเราเมื่อเห็นอย่างนี้ย่อมหายติดท่านสำคัญอย่างไรท่านยะมะกะัท่านมองเห็นรูปว่าเป็นตถาคตหรือตอบว่าไม่ใช่เช่นนั้นท่านมองเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นตถาคตหรือตอบว่าไม่ใช่เช่นนั้น ท่านสําคัญอย่างไรท่านยะมะกะท่านเห็นว่าตถาคตมีในรูปหรือตอบว่ามิใช่เช่นนั้นท่านมองเห็นว่าตถาคตมีต่างหากจากรูปหรือตอบว่ามิใช่เช่นนั้นท่านมองเห็นว่าตถาคตมีในเวทนามีตัางหากจากเวทนามีในสัญญามีต่างหากจากสัญญามีในสังขารมีต่างหากจากสังขาร มีในวิญญาณมีตัางหากจากวิญญาณหรือตอบว่ามิใช่เช่นนั้นท่านสำคัญว่าอย่างไรท่านยามะกะท่านมองเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นตถาคตหรือตอบว่ามิใช่เช่นนั้นท่านสำคัญว่าอย่างไรท่านยามกกะท่านมองเห็นว่าตถาคตนี้เป็นสภาวะไม่มีรูป ไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีสังขารไม่มีวิญญาณหรือตอบว่าไม่ใช่เช่นนั้นนี่เนี่ยทัญญมะกะในปัจจุบันนี้เองที่ตรงนี้ท่านยังหาตถาคตโดยจริงโดยแท้คือให้เห็นจริงมั่นเหมาะลงไปไม่ได้ควรหรือที่ท่านจะกล่าวถแถลงว่าข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมะตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วว่า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 น่ท่านยะมะกะถ้าชนทั้งหลายพึงถามท่านอย่างนี้ว่าท่านยะมะกะภิษุผู้เป็นอรหรันตขีณาศพหลังจากร่างกายแตกทำลายตายไปแล้วจะเป็นอย่างไรท่านถูกถามอย่างนี้แล้วจะกล่าวชี้แจงว่าอย่างไรตอบว่าผมพึงกล่าวชี้แจงอย่างนี้ว่ารูปแลเป็นสิ่งไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุก สิ่งนั้นดับแล้วสิ่งนั้นถึงความไม่ตั้งอยู่แล้วเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นสิ่งไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นดับแล้วสิ่งนั้นถึงความไม่ตั้งอยู่แล้วข้าพเจ้าถูกถามอย่างนี้พึงกล่าวชี้แจงอย่างนี้พระสาวรีบุตรจึงกล่าวว่า ดีแล้วดีแล้วทัญญมะกะเรื่องนี้มาจากสังยุตตนิกายคันธวารวักจากนี้มีความอุปมาต่อไปอีกแต่ไม่นำ ม, มาลงไว้เพราะจะยืดยาวมากคำว่าตถาคตในสูตรนี้อัตกถาไขความว่าหมายถึงสัตว์หรืออย่างที่มักเรียกกันว่าสัตว์บุคคล